พระบัญญัติ89ก็ภิกษูดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างเนรเทศบ้างบริภาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพานเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้